กีดกังอกุศลด้วยความละอายพระพุทธภาษิตฮิรินิเซโทปุริโซโกจิโลกาสมิวิชติโยนิดังอปะโพเทติอโซพัตรอกะซามิวะอโซยะธาพัตรกะซานิวิทโชอาตาพิโนสั่งเวคิโนพวาทะสทายซี่เลนะจักวิริเยนะจักสมาธินาธรรมวินิชเยนะจัก สำปันนัวิชาจารณาปฏิสตาปะหัสตะดุขะมีดังอนัปปังแปลความว่าบุคคลผู้ห้ามอ ก, กุศลกิจที่เกิดขึ้นด้วยหิริมีน้อยคนในโลกผู้ใดบรรเทาความหลับด้วยการตื่นอยู่เป็นนิดเหมือนม้าดีสะดุ้งโดยแส้ผู้นั้นหาได้ยากมาดีถูกขดดวดโดยแส้แล้วย่อมระลึกถึงตนฉันใดขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีความเพียร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 แต่ไม่ได้หมายความว่าจะทําให้ความตรึกในเรื่องนั้นน้อยลงมันอาจเป็นเชื้อให้มีกําลังเพิ่มพูนขึ้นเหมือนโยนเชื้อลงไปในกองไฟขณะที่เชื้อลงใหม่ๆดูเหมือนว่าแสงไฟจะรี่ลงเล็กน้อยแต่ไม่นานนักอาศัยเชื้อนั้นกองไฟก็จะเร่งแรงขึ้นอีกในขณะที่จิตกําลังตรึกทางกามนั้นพยาบาทวิตกและวิหิงสาวิตกย่อมไม่มีแต่เมื่อพยาบาทวิตกเกิดขึ้นกามาวิตกย่อมพลันหายไปโดยในนี้จะเห็นว่ากิเลสย่อม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 โดยธรรนองนี้จิตที่ถูกกีดกันจากกามหรือความรักจึงมักตกไปในหลุมหนึ่งคือความพยาบาทหรือมิฉะนั้นก็ความคิดทางเบียดเบียนโดยปกติจิตจึงมักวนเวียนคลุกคล้าอยู่กับสามหลุมนี้คือกามพยาบาทและวิหิงสากล่าวอย่างไทยคือรักใคร่โกรธเกลียดเบียดเบียนบุคคลที่จิดกันอคติสนวิตกดังกล่าวนี้ด้วยหิริคือความละอายต่อบารบนั้นท่านว่าหาได้ยากในโลก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 ก็ได้รู้จริงเห็นแจ้งเสแล้วว่านั่นคือความฝันคนที่รักไม่ได้ตายจริงและไม่ได้พบคนที่รักจริงข้อนี้ฉันใดคนที่หลับอยู่ด้วยความหลับคือกิเลสก็ฉันนั้นย่อมหลงดีใจเสีย ใ, ใจในเหตุการณ์ต่างๆอันผ่านเข้ามาในชีวิตทั้งนี้เพราะโลกียธรรมบังปัญญาจากสุขไว้ชั่วคราวเหมือนความฝันได้กำ บ, บังความจริงเอาไว้แต่เมื่อบุคคลตื่นขึ้นอย่างสมบูรณ์จากความหลับคือกิเลสแล้ว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 ถ้าสมาธิชนิดนี้ไม่เกิดเขาย่อมไม่เพลินในงานสมาธินี้จะบรรเทาและขับไลค่ความฟุ้งซ่านความเหลียวแลของจิตไปทางโน้นทางนี้ให้หมดไปใจะจะจดจ่ออยู่เฉพาะสิ่งที่กาลังทาหรือคำที่กำลังพูด 2. อ, อุปจารสมาธิคือสมาธิที่เฉียดชานถ้าเปรียบชานด้วยปลาอุปจารสมาธินี้คืออาการที่จับปลาแล้วหลุดจับแล้วหลุด แต่พระโยคาวจรก็ไม่ละทิ้งความพยายามตรงกันข้ามเขาพยายามจับอยู่ตลอดเวลาเพราะได้มองเห็นแล้วว่าจะต้องจับได้ 3. อัปปนาสมาธิคือสมาธิในฌานเหมือนอาการที่จับปลาได้อย่างมั่นคงปลานั้นจะยังไม่หลุดมือไปตราบเท่าที่ผู้ปฏิบัติยังไม่ปล่อยแต่โดยปกติก็ต้องปล่อยเพราะสมาธิเป็นของชั่วคราวเป็นการยากที่จะดารงอยู่ในสมาธินั้นตลอดไป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 ฌานหรือสมาธิที่ได้เพราะดำเนินทางสายสมถภาวนาท่านเรียกว่าอารัมมณูปนิฌานส่วนที่ได้เพราะดำเนินตามสายวิปัสนาท่านเรียกว่าลัค น, นูปนิฌานห้าธรรมวินิจฉัยหรืออีกในหนึ่งคือธรรมวิจัยหมายถึงการตรองธรมเหมือนการกรองข่าวของทางราชการนี่ก็คือการวินิจฉัยรว่าทำใดเป็นไปเพื่อสังสมกิเลส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 ในที่นี้ท่านหมายอาวิชาสามหรือวิชาแปดของงดกล่าวถึงรายละเอียดในที่นี้เจตจาระนะตามตัวอักษรแปลว่าความประพฤติหมายถึงความประพฤติชอบท่านระบุจาระนะไว้สิบห้ามีศีลสังวรความสำรวมในศีลเป็นต้นมีจตุทชาญเป็นปริโยสารของงดกล่าวรายละเอียดในที่นี้พระพุทธเจ้าตรัสว่า ผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะนี้เป็นผู้ประเสริฐที่สุดทั้งในหมู่เทวดาและมนุษย์สมดังพระพุทธภาษิตว่าคาติโยเซโทชเนตส์มิงโยโคตปาติสาริโนวิชาจรณะซัมปันโนโซเซโตเดวามานุเ so ซในหมู่คนที่ยังรังเกียจกันด้วยโคตรหรือชาติวันนะรณะกริย์นับว่าประเสริฐสุดแต่ผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะ ประเสริฐที่สุดในหมู่เทวาและมนุษย์ 8. ความมีสติมั่นคงกล่าวในทางปฏิบัติหมายถึงความเป็นผู้อยู่ด้วยสติไม่เผลอสติจนอาการนั้นอยู่ตัวกระแสะกิเลสไม่อาจรั่วไหลเข้าสู่จิตได้กระแสะทันหาต้องไหลกลับเมื่อมาพบ ก, กับเครื่องกั้นคือสติเข้าสมดังทิตรัสว่ากระแสตันหาในโลกนี้ย่อมถูกกั้นด้วยธรรมนกคือสติพระอรหันต์นั้นได้นามว่าสติสัมปันโน ผู้สมบูรณ์ด้วยสติมีสติมั่นคงไม่แปรผันบุคคลผู้ประกอบพร้อมด้วยคุณธรรมทั้ง8ปประการดังกล่าวมาย่อมได้รับอานิสงค์คือการละทุกข์อันมีประมาณไม่น้อยเสียได้เรื่องนี้ทรงแสดงที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารพพระปิโลติกะเทระมีเรื่องย่อดดังนี้เรื่องพระปิโลติกะเทระวันหนึ่งพระอ น, นุ์เห็นเด็กคนหนึ่งนุ่งผ้าเก่าขาด ถือภาชนะกระเบื้องเที่ยวขอทานอยู่จึงชักชวนว่าเที่ยวขออยู่อย่างนี้บวชเสียไม่ดีกว่าหรือใครเล่าจักให้ขาะะ้าพเจ้าบวชเด็กน้อยถามถ้าเธอสมัครใจะจะบวชฉันจะบวชให้เองเด็กน้อยรับคำกับพระเถระว่าจะบวชพระเถระจึงพาไปยังวิหารให้อาบน้ําด้วยมือของตนเองให้กรรมฐานแล้วให้บวชพระอ น, นุลคลี่ผ้าเก่าของเด็กออกดู ไม่เห็นว่าพอจะใช้การอะไรได้จึงเอาพาดไว้ที่กิ่งไม้กิ่งหนึ่งกระเบื้องสำหรับพอทานก็วางไว้ใกล้ๆนั้นต่อมาสามนเนนนั้นได้อุปสมบทเป็นภิกษุได้อาศัยลาบสการะที่เกิดขึ้นแก่พระาศาสนาเลี้ยงตนอยู่ร่างกายอ้วนท้วนสดใสขึ้นนุ่งผ้าจีวรอย่างดีและพร้อมๆกันนั้นก็มีความกระสานใคร่ศึกปราลบว่าอย่าเลยด้วยจีวรที่ถายกถวายด้วยศรัทธา